แต่หากลากลมหายใจเข้าจนสุดแบบผ่อนพักแล้วจึงกำหนดสติรู้ลมขณะผ่อนออกก็จะไม่รีบรีดลมจนท้องเกรง็งและรู้สึกว่าลมหายใจเป็นสิ่งถูกเห็นได้ง่ายขอให้จำไว้ว่าถ้าสบายขณะรู้สึกถึงลมหายใจออกแปลว่ามีสติขณะหายใจออกแล้ว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 คือรู้สึกชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่อันเดิมแล้วก็แล้วกันเพิจารณาความระ ง, งับกิเลสเพราะรู้ลมอยู่เมื่อรู้จักลมหายใจของตนเองดีพอเราจะรู้สึกถึงลมหายใจของคนอื่นแม้เพียงมองด้วยหางตาและเห็นว่า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 ก็แปลว่าสติของเราขาดไปแน่ๆและเมื่อรู้ว่าสติขาดก็จะได้รู้ต่อว่าควรนำกลับมาตั้งไว้ตรงไหนด้วย